ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประปุิยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาทิฏฐิมาถึงช่วงของกรรมสิบสองซึ่งเป็นการสรุปรวมของพระพุทธโกสาจารย์และที่จริงก็ปรากฏอยู่ในคำเพียรพิธรรมมัทสังขารด้วย วันนี้จะเสนอเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็ เ, เรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิตรงตร ง, งเลยนะตัวตรงเลยหรือบางแห่งเราก็เรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาก็โดยสรุปก็คือปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมสิบเรื่องซึ่งในแง่ของพวกวัตถุนิยมจัด เรียกว่าพวกอุเฉตทิิพวกนติกาทิตินะคือเป็นเศษหมดว่าไม่มีทั้งหมดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็เยอะจังก็เรียกว่าเป็นปัญหาขาโลกอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็กลายเป็นลัทธิต่างๆเกิดขึ้น เป็นลัทธิของอาชิตเกศก ร, รมพลลัลทธิของปกุทกัจยานะลัทธิของมัคคิลิโคสานสองถามท่านเนี่ยก็ยุ่งๆคือปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัฏปฏิเสธผลของกรรมพระเจ้าเคยเสด็จไปพบประชาชนใน หมู่บ้านชื่อมหาสาราในแคว้นโกศนลักษณะของคนกลุ่มเนี้ยคล้ายๆกับพวกกาลามชนในกาลาเมศสูตรก็อยู่ในแคว้นโคศนด้วยกันแต่ว่าสภาพปัญหามันต่างกันคนเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเป็นจนํานวนมากมาตอนเข้าเฝ้าก็ชักจะสับสนเหมือนกันเกิตั้งหลักไม่กรยถูกพระพุทธเจ้าก็สแสดงความ กรุณาอย่างสูงแก่คนเหล่านั้นก็รับสั่งสอบถามว่าท่านเหล่านั้นเนะ่ชอบใจทรรมของใครยึดถือใครเป็นศาสดาแล้วหรือยังท่านเหล่านั้นบอกว่ายังไม่ชอบใจคำสอนของใครยังไม่ยึดถือใครเป็นศาสดาพระเจ้าก็รับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอก คือจะชอบใจธรรมของใครหรือไม่ชอบใจธรรมของใครนับถือศาสนาหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าข้อสำคัญอย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้วกันแล้วก็ส่งแสดงเรื่องข้อที่เรียกว่าอปันนาคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดต่อทั้งหมดสามข้อนะแต่จะพูดข้อเดียวคือข้อที่เรียกเรื่องกฎของกรรม มันเป็นกระแสความเชื่อที่แพร่หลายกันโดยเฉพาะสายของท่านสามท่านกันที่ว่าเนี่ยแม้แต่ท่านโบรนั ก, กสปะมันก็มีแนวความคิดในลักษณะนั้นแต่ว่าที่แรงมากเนี่ยคือท่านอาทิตอาทิตเกิดศักดพลพระเจ้าทรงอุปมาว่าคําสอนของท่านอาทิตเกิดศักดิ์พลเหมือนผ้ากําพลที่ทำโดยผมคนผ้าผ้าขนสัตว์นะฮะแต่ก็ผมคนมาทํา มันใช้ไม่ได้อะคือตัวมันเหม็นเหม็นสาบกลิ่นมันเหม็นสาบแล้วก็ฤดูเย็นเนี่ยไอ้บรรดาฤดูหนาวเนี่ยยิ่งห่มอยิ่งหนาวฤดูร้อนมัน อ, าอ้าวอ่ะมันร้อนฤดูฝนมันอุ้มน้ำเลยใช้ไม่ได้แต่ฤดูนะคาสอนขัท่านอาชิตเกษกมพลก็มีลักษณะ คือถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเคสถือว่าทุกอย่างนี้ไม่มีหมดในประเด็นเนี้ยที่เรียกนติกาติทิศคือไปเสร็จหมดแล้วถ้าเราเห็นว่าถ้าไปเสร็จตรงนี้หมดมันก็จบเพราะว่ามนุษย์จะไม่มีความกระตนร้นที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองเพราะว่าไปคิดว่าชีวิตมันก็จบลงที่ตายก็ตายก็จบสิ้นกัน แล้วกระแสความคิดตัวเนี้เราก็จะพบว่ามันมีอยู่เยอะนะะในบ้านเราเนี่ในยุคหนึ่งค่อนข้างแพร่หลายเขาเรียกคำทุพพศิตต่างๆนี่มันแพร่หลายมากเช่นบอกว่าชั่วเมืองผีขอยดีเมืองคนก็แล้วกันก็ก็อธิบายถึงตอนที่หมกมุ่นในทางเพศกันมา ก, ก น, นะเรามีการพยายามอธิบายชี้แจงถึงโทษถึงการละเมิดในคู่ครองของบุคคลอื่นความซ้ําสอนทางเพศ เล่าไปเรื่อยก็ตกนรกหมกไหมปีนต้นงิ้วมีหนามสิบหกองค์คลีแหลมอะไรก็ว่าคนตัวนี้ก็ไปลเลยไม่เป็นไรนี่ขึ้นต้นงิ้วพลิ้วไปต้นถนนผิดเมียท่านได้บุญทั้งโลูกถนนก็ได้กินบางทีก็บอกไม่เป็นไรยมปบาลกับผมเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันก็เป็นอาจจาัการันเป็นปลอบใจตัวเองหรือว่าอาจจะไม่เชื่อ แต่เราจะเห็นว่าในแนวตรงนี้ที่จริงเนี่ยเชื่อไว้มันไม่ขัดทุนอะไรการไม่เชื่อหรือซ้ําไปนะขาดทุนมาสร้างปัญหาในขณะนั้นในขนาดต่อไปคือในชาติปัจจุบันก็สร้างปัญหาเยอะพวกความเห็นแนวนี้จะสร้างปัญหาเยอะมันเหมือนกระแสวความคิดแนวอคอมมิวนิสต์มันไปนเสดบาะบุญไปเสดบะบุญก็ฆ่าคนน้าเฉยแต่เฉย นะมันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับพวกฮิตเลอร์เนี่ยเราเห็นวลึกๆเนี่ยมันไม่ยอมรับเรงบาปบุญบาปบุญแก่ก็สั่งฆ่าพวกกิลพวกค น, นต่างเยอะแยะไปหมดเลยตายกันไปตั้งห้ากล้านในแบดวงตรงนี้แกคงไม่สั่งเองทั้งหมดนะแต่ว่ามันก็มาจากนโยบายของแ ก, กมันอยู่ที่ความคิดเห็น ว่าความคิดตัวเนี้ยมันประกอบด้วยวิชาหรือประกอบโดยไม่ใช่ประกอบด้วยสัมมาทิฐิหรือประกอบด้วยมิจฉาทิฐิก็แล้วกันนะฮะหรือประกอบด้วยวิชาวิชาก็ได้นะประกอบด้วยปัญญาหรือว่ามิจฉาปัญญาก็ได้สัมมาปัญญามิจฉาปัญญาก็ได้ผู้เจ้าก็ทรงแสดงหลักการปฏิบัติที่ไม่ผิดโดยเสนอทั้งสองด้านนะฮะด้านที่เป็นสภาพสังคมซึ่งมีความแพร่หลายกันอยู่ในสมัยนั้นว่าคนคนบางพวกเนี่ย ถือว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลแล้วก็ผลแห่งการทำดีทำชั่วนี่ไม่มีแล้วก็โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีแล้วก็สัตทีตายแล้วเกิดไม่มี สมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามเนี่ยไม่มีในโลกเห็นไหมปฏิเสธหมดคือถ้าเรามาเกาะกลุ่มดําโครงสร้างของศรัทธาแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นว่าคือปฏิเสธเรื่องกรรมปฏิเสธเรื่องผลของกรรมปฏิเสธเรื่องการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมและปฏิเสธพระพุทธเจ้าความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามาจับกับพระญาณ น, นะเราจะเห็นว่าปฏิเสธ ปุเพในวาสารวิทยานกับจูตูปปาตยานแล้วอาสวัคยานของพระพุทธเจ้านะอาสวัคยานเนี่ยถูกปฏิเสธเพราะว่าความรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอย่างนั้นมันต้องไม่มีกิเลสเทิดายัางมีกิเลสมันก็รู้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่าคนเหล่านี้เขาก็ปฏิเสธหมดพู้เจ้าทรงแสดงทรงแสดงว่าสิ่งทั้งสิบข้อเนี่ยมันมีอยู่แท้ แต่คนเหล่านี้ไปเห็นว่าไม่มีความเห็นของเขาก็เป็นมิจฉาทิจจิเขาไปคิดว่าไม่มีความคิดเขาก็เป็นมิจฉาสังกปะคือคิดผิดเขาไปพูดว่าไม่มีคาพูดเขาก็เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาผิดเขาไปแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้เห็นตามเชื่อตามว่าไม่มีก็ชื่อว่ามีคำสอนมีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบ บาปรกรรมเป็นนันมากซึ่งต่างว่เราสังเกตเวลาเนี้ยมีคนเยอะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี้ยอย่างน่ากลัวนะฮะบางทีก็เป็นพระผู้ใหญ่เป็นเจ้าน้ําเจ้าคุนเนี่ยพูดหน่าเฉยตเฉยเลยพูดจนขนาดว่าเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรเป็นเรื่องของพราหมณ์ไม่มีในพระพุทธศาสนาพูดน่าเฉยตเฉยคือหารอหเรื่องโหดเรืองนีว่าบวชมาได้ยังไงอะเราสงสัยมันหลุดมันได้ยังไง เพราะอะไรเพราะว่าพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าจสัจสูรเนี่ยมันชัดเจนมากเลยคือถ้าเราจับหลักพยานทั้งสามให้ได้เนี่ยนะและคคำสอนในพุทธศาสนามันมันจะไปยึดโยงอยู่กับพยานทั้งสามเพราะอะไรเพราะถ้าเราเกาะกลุ่มคำสอนเนี่ยมันคำสอ น, นจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าวัฏกามิกุศล เป็นการแสดงกุศลระดับที่ทำให้คนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัตรได้หรอกแต่ว่าก็ตกแตกพบชาติก็ตัวเองให้มีความประนีตขึ้นไปได้ไดเรื่อยๆนะฮะจากมนุษย์ขึ้นไปจนถึงโ น, น่นถึงพรหมโลกไปเลยในยขณะเดียวกันก็แสดงกฎแห่งกรรมให้เห็นกลายเป็นพวกอบายทั้งหลายเนี่ยกฎของบาปกรรมพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นวัฏฏกรรมีเป็นเรื่องของวัฏฏะ พอมาถึงแสดงในรับในดับของมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าเป็นวิวัตร์ละหลุดพ้นจากสังสารทุกข์แต่ว่าไตา่อันดับขึ้นไปโดยลําดับอ่หลุดพ้นจริงๆเนี่ยคือจะเป็นพระอรหันต์ท่านเองก็เรียกอาตมากอาตผลนิพพานนะฮะคือติพนทิพ้นจากสังสารทุกข์ได้จริงๆแล้วถ้าเรามาดูเทียบตรงนี้ก็อะไรล่ะ คือหมายความว่าในระดับวัตถะเนี่ยมันไปยึดโยงอยู่กับกรรมกับสังสารวัฏ ต, ตัวกรรมเนี่ยทำให้สังสารวัฏมันเปลี่ยนจะหยาบหรือจะกลางหรือจะละเอียดก็ไม่ร่วมมิวติกรรมกรรมจะเป็นตัวกรรําหนดนํามารูปกําหนดภพชาติที่พูดไว้ในวันก่อนว่ามันเป็นกรรมมัชรูปคือกรรมที่ไปสร้างรูปให้หยาบให้กลางให้ละเอียดก็ว่ากันไปจานวนจานวนทางธรรมานี่ท่านเรียกว่าตกแต่งภพชาติในประณีศขึ้น มันไม่ถึงกับหลุดพ้นจากสังสารธาตุแต่ว่าพบชาติมันจะประนีตขึ้นทีนี้พอมาถึงวิวัตสนเนี่ยเราจะเห็นว่าก็คืออาสวกยาตหมายความกิเลสหมดสิ้นจากจิตใจเนี่ยเป็นป้าหมายแต่เข้ามาอยู่สายของอริยมรรคที่สมบูรณ์คือหมายความมรสินสมาธิปัญญาสมบูรณ์ แต่ว่าด้านโน้นที่จริงก็อยู่ในสายเรยมักเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ระดับศีลกับระดับสมาธินี่เป็นเรื่องใหญ่และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องศีลสมาธิก็เข้ามาแผ่วๆนะฮะเข้ามาแผ่วๆไม่ลึกแต่ว่าพอมาถึงรูปประพรมที่จริงก็สมาธิสมบูรณ์นะสมาธิก็สมบูรณ์เหมือนกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคําสอนในพ ร, พระพุทธศาสนามันเป็นสายทรงมาจาการจัต ส, สรูเป็นปฏิเวทโดยสถานะ คำสอนทุกขำหรอนะนะฮะมันมีความเป็นปฏิเวทยอยู่เพราะเป็นธรรมะจากขัไทยของพระองค์เว้นเรื่องที่น่าสลดคือถ้าศาสนาพูดไปทำลายกฎของกรรมกับกฎสังสารวัตรเนี่ยไม่ใช่พระพุทธศาสนานะจบนะศ า, ศาสนาเนะี่ยอยู่ไม่ได้เพราะจะไม่มีหลักอะไรเลย คือหมายความว่าวันใดก็ตามใครก็ตามแต่มันพูดแล้วมันมันตัดขาดไปจากพยานสามเนี่ยไม่สามารถเชื่อมโยงกับพยานสามได้เนี่ยก็แสดงว่าออกนอกทางแล้วเพราะถ้าไม่เชื่อมโยงกับพยานสามก็แสดงว่าโลภะตัวสามโมหะเพิ่มมันก็กลายเป็นอกุศลก็แยกไปนะแยกไปพระเทวทัศแยกลงนรกนะพุทธเจ้าก็แยกนิพพานไปเลย ดังเรื่องเหล่านี้ลองสังเกตว่าบางอย่างเราพิสูจน์ไม่ได้มันต้องรอแต่ว่าถ้าเราใช้ระดับเรียกโยนโสมนิการคือนำความคิดมาให้มันเป็นระบบปีกฎเกณฑ์แล้วก็พัฒนาให้ปัญญาเห็นชอบขึ้นตามความเป็นจริงเนี่ยว่าปัญญารู้ว่าการให้ทานมีผลปัญญาชอบว่าการบูชาเมมีผล ปัญญาเห็นชอบว่าการพิธีกรรมต่างๆการบวงสรวงเทวดาและอะไรต่างๆนี่มีผลปัญญาที่เห็นชอบว่าผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเนี่ยก็มีผลก็ที่จริงก็เห็นกันทุกวันนะแต่ว่าปัญหาสําคัญว่ามันขาดการศึกษาขาดการสําเนี่ยขาดการทําความเข้าใจแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดเอามาชอบป่ะพูดดี ท่านบอกมันรู้ก่อนเรียนเยอะเก่งไปหมดนะฮะแล้วก็ถามว่าเอามาจากไหนกันนะก็ว่าเาเองเอา้าว่าเาเองได้ไงมันหลักทั้งหลายเนี่ยมันต้องผ่านการพิสูจน์ตรวจสอบมาไม่ไม่ใช่เล่นๆนะนะเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเนี่ยมันพิสูจน์ทดสอบมาตั้งแต่นน้นมาะแต่สมัยพระพุทธเจ้าทิ้งก็ก่อนพระพุทธเจ้านะแล้วก็ มีปัญญาเห็นชอบว่าโลกนี้มีอยู่แล้วก็ผู้มาเกิดก็มีอยู่ปัญญาเห็นชอบว่าโลกหน้ามีอยู่แล้วก็ผู้ไปเกิดก็มีอยู่อันนี้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าในความเป็นสังสารวัฏเนี่ยมันเราหาข้ อ, อยุติไม่ได้ บางคนเราเนี่ยตายแล้วไปเกิดในโลกนี้ตายจากโลกนี้เกิดในโลกนี้ตายจากโลกนี้มาการโลกอื่นตายตายจากโลกโลอื่นมาเกิดเกิดในโลกอื่นตายจากโลกอื่นมาเ ก, าาา ก, าากาิดในโลกนี้มันก็บุญวนกันอยู่างเงี้ยส่งอุ ป, ปมาให้เห็นว่าเหมือนกระโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศแต่มันหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะเอาด้านไหนลงแต่แน่นอนมันลงอาจจะโคนลงอาจจะปลายลงอาจจะอาตรงกลางลงแต่มันก็ลง เพราะมนุษย์เราในจับใจที่มีกิเลสจะมีกรรมอยู่การหมุนวนในสังสารวัฏต้องมีเพียงแต่ว่าจะออกมาในลักษณะไหนเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นรายละเอียดที่ว่ากันเจาะจงเพราะแนวอนิสงส์ที่ว่าไว้ในหลายวันก่อนนะพึงสังเกตว่าเป็นการยืนยันถึงผลของบาปของบุญในกรณีที่พูดถึงโทษของบาปอะไรก็ตามนะ มันจะจบลงด้วยหลงตายนี่สิ่งที่เราเห็นแล้วตายไปแล้วไปบังเกิดในทุกติวินิบาทนรกในสุรกา ย, ยอย่างใดอย่างหนึง่งทีนี้ถ้าถามมาอย่างไหนละ่ะมันต้องให้เขาไปเกิดไปก่อนเพราะเลยเพราะเราไม่แน่ในเรื่องกระบวนการกรรมของเขาถ้าถามพระพุทเจ้าพระพเจ้าทรงรู้นะฮะแต่ว่าไปเท่ยวบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้ครับขวัญก็เสียคือต้องบอกเขาตายซะก่อน เช่นบอกว่าตายไปเกิดในสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดตื่นเต้นเกินไปก็ทําใจเผลก็ตกนรกก็ได้ไม่ไปบอกเขาไม่ได้มันแสดงหลักการเนี่ยได้ทีนี้สมมุติว่าพูดว่าเขาตกในนรกเนี่ยก็จะโกรธเราพุทธเจ้าว่าแช่งเขาก็โกรธหนักยิ่งขึ้นเลยตกนรกลึกกว่าเดิมอีกยุ่งใหญ่เลยทีเนี้ยเรื่องเหล่านี้เขาจึงไม่พูดไงแต่สำนวนจีนเขาเรียกว่าเปิดเผยองค์การสวรรค์เนี่ยไม่ได้ ดังนั้นในกฎตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีทั้งหมดโลกนี้ก็มีโลกหน้าก็มีนะฮะพ่อแม่ก็มีพ่อแม่ก็มีคุณพ่ อ, พ, อพ่อก็มีคุณแม่ก็มีคุณนะฮะแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสําหรับพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองและประกาศด้วบุคคลหรือรู้ตามเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ในโลก เดี๋ยวพวกนี้ปร ะ, ประเสริฐพระพุทธเจ้าเลยนะครับเดี๋ยแแนวคําถามบางทีที่ถามเนี่ยคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเนียเหมือนกับตัวเขาอะนะพระเจ้าท่านเป็นอภิมนุษย์ท่านเป็นคนวิสามันเหตุผลที่เกี่ยวพระเจ้ามันมีเยอะมันเป็นเหตุผลวิสามันมันไม่ใช่เหตุผลสามันที่เราจะไปคดาดเดาที่จะไปนึกจะไปตีความจะไปประเมินตัวเอง นะถ้าเทียมกับพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันไม่ได้แต่ว่าแนวตรงนี้สมมุติว่าเราจะเชื่อเรายังไม่แน่ใจนะะไม่แน่ใจตักใจลงไปไม่ได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ให้จับหลักที่ทําการทําความดีเอาไว้ที่จริงตรงนี้ยพระเจ้าทรงแสดงไว้ที่กะลาเมสูตรที่คนชอบเอามาอ้างนะฮะกะลาเมสูตรที่ชอบเอามาอ้างเนะี่ตอนนี้มาก็ทําออกมาเป็นเล่น ต่อเรื่องประตูผสมครัวนะฮะรอยกว่อนหน้าแล้วก็อธิบายแบบอธิบายพระสูตรเลยคือตัดพระสูตราเป็นตอนเป็นตอ น, น, ตอนแลวอธิบายเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปก็อ่านแล้วค่อนข้างเป็นวิชาการไปหน่อยแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องอธิบายในเชิงวิชาการเพราะมันเป็นเรื่องวิชาการคิดว่าจะทำเผยแพร่ไป แต่ที่จริงก็เคยทํามาทีนึงแล้วนะ ท, ทํามาธิเคยปตาตกถาเคยไรยตรไรกาลามาสูนี่แก้กันยุ่งยากมากคือในตอนสุดท้ายในพระเจ้าสอนให้พวกกาลามาชนนี่ตั้งหลักอยู่ที่ทำความดีให้ได้นะโดยสอนที่ปรมิหารสี่ให้เจริญปรมิหารสี่และทีนี้เมื่อเราเจริญปรมิหารสี่เนี่ยมันสร้างสถานการณ์สมมติเกิดมาได้ พระเจ้าทรงใช้คำว่าความปุ่นใจมันจะได้ความอุญใจอะคนเราทําความดีก็จะเกิดความอุ่นใจอุญใจพูดง่ายๆนะพูดง่ายๆภาษาไทยคือสำนวนบาลีนี่ค่อนข้างฟังยากคือสมมติว่าผลบุญผลบาปนี่มนรกสวรรค์มีเราทําความดีนะเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันอันนั้นพิสูจน์ได้แหละเราตายไปแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ทีนี้ตีต่างว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มี เราทำความดีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันนะ่มันก็เห็นกันได้กะตายแล้วตกไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปเลยแต่ว่เปอร์เซ็นนี่ได้แล้ะทีนี้ถ้าเราแกว่งเราไม่เชื่อเราสับสนใจมันก็ไหลไปตามกระแสความชั่อเอสมมติฐานเดิมสมมติว่าผลบุญผลบาปนารกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันนะ่ะ ประสบปัญหาประสบความเดือดร้อนเราจะเห็นว่าคนที่เหมือนกระตกนรกในชาติปัจจุบันนมีเยอะมีเห็นอยู่เยอะเลยแล้วก็สมมุติว่านารกสวรรค์มีนรกสวรรค์ไม่มีก็แล้วไปทีนี้สมมุติว่านารกสวรรค์มีผลบุญผลบาปมีเราทําความชั่วเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันด้วยตายไปในชาติหน้าก็เดือดร้อนด้วยก็เดือดร้อนร้อเอร์เลยอย่างน้อยเดือดร้อนห้าสิบเอร์เซ็นคือเดือดร้อนในชาติปัจจุบัน ถ้าทำความดีในอย่างน้อยเราก็อยู่ดีมีสุข้าสิบเอร์เซ็นแล้วถ้าตายไปเกิดในสวรรค์ก็ได้ร้อยเประเซ็น์เลยมันก็กลายเป็นตัวเลือกว่าจะเอาอยัางไงล่ะก็ตัดสินใจเลือกเอาเองภาษาก็นานาเสนอให้พิจารณาคือปัญหาใหญ่ที่น่าเป็นห่วงแล้วถ้าเราไปไประชุมในทางวิชาการกับพวกครูบาอาจารย์ะอะไรต่างๆ ก, ก็ประรบเป็นห่วงกันนะะ เราเป็นห่วงกันแต่ว่าคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเทรามาคมนี้อำ น, นาจรวมศูนย์อยู่ที่ท่านหมดมันใครไปที่เริ่มทําอะไรขึ้นมาก็ทําไม่ได้นะฮะนอกจากว่ามีศักยภาพมากพอแล้วก็อาณาจักรค่อนข้างเป็นอิสระไปเลยมันก็ไปทําได้แต่เป็นกุ่มเล็กทําเป็นะปการสงฆ์เนี่ยทําไม่ได้แต่ เ, เรื่องที่น่าเสียดายว่าถ้าเราไม่รุนแรงเรื่องเหล่านี้ ให้กลับมาศึกษาพิจารณาทบทวนโดยหลักธรรมในพระไตรปิฎกเอาแหละพระธรรมธรรมในประไตดดะปรปิฎกอาจจะยากแล้วก็เยอะ เ, อเวลานี้มันก็ทํามาเป็นซีดีรอมันทําเป็นอะไรแต่อะเยอะแล้วก็ที่ย่อไว้เนี่ยที่เขาย่อไว้เนี่ยมันก็มีเยอะแล้วคือข้อใจสงสัยเน้นําไปสอบถานได้ทันทีเลยนะเช่นเช่นหนังสือหลักสูนนักธรรมเนี่ยมันก็ย่อมาจากประไตรปิฎก หลักสูตรในหนังสือต่างๆที่พระพระส่วนมากเป็นเป็น พ, พนักงานวิชาการหน่อยนะที่เขียนเนี่ยเขาก็รวบรวมเรียบเรียงนะอาตอมาทําหนังสือมาเป็นร้อยเล่มนะคคือไม่ใช่คําว่าเขียนเพราะเราไม่ได้เขียนนะเราพิมพ์มาแล้วก็เรารวบรวมมาเรียบเรียงมันเหมือนประวัติศาสตร์เนี่ยมันใครไปเขียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ ปริศาสมันเป็นการรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วธรรมะก็เหมือนกันแหละใครไปแต่งธรรมะไม่ได้หรอกแต่งธรรมะก็โกหกนะ่ะใครบอกว่าแต่งเนี่ยพระนั้นแต่งพระนี่แต่งก็สแสดงว่าเท็จเนี่ยเริ่มถึงก็เทเ็จเ่ยธรรมะไม่มีใครแต่งได้ฮะธรรมะนอกจากว่ารวบรวมเรียบเรียงมาร้อยกลองขึ้นมาอาจจะแปลคําเนื้อหาพระพุทธภาษิตขึ้นมาเป็นคํากรอนสอนใจง่ายๆ นะแต่ก็มองกลับไปก็จะเห็นว่าเออนี่ก็ตรงกันหลักเอามาจากธรรมะข้อนั้นข้อนั้นใดต่ดเนี่ยอย่างเช่นที่ท่านบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสายใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจดูนะอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะนี่ก็แสดงว่าท่านอธิบายอุปาทานเป็นคากรนว่าทุกข์นี่มันเพราะยึด ท้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์เพรา ะ, ะถ้าคุณต้องการทุกข์ก็คุณก็อย่ายึดแต่คุณคุณต้องการสุขคุณก็อย่ายึดเพราะถ้ายึดแล้วมันจะอยากอยากแล้วมันจะยุ่งยุ่งมันจะแย่มั น, ม, นมันอุตลุดไปหมดเลยอันนั้นก็แสดงว่าท่านเข้าใจในเนื้อหาของอุปาทานแล้วก็ท่านก็มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้แปลกอะไรเนื้อหาก็คงเป็นธรรมะในาศาสนานั่นเอง ระมันแตกต่างกันในเชิงภาษานะได้นะฮะแต่ว่าจะทำลายเนื้อหาหลักที่ต้องประยึดโยงอยู่กับพระยานทั้งสามที่ตามให้พระองค์จะจะรู้เปน็นอนคาดเพราะทำมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมประพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านีน้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบุญในธรรมจงมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี